พุทธพจน์แสดงหลักศรัทธาสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือตฤษฎีลัทธิหรือคำสอนอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วหรือยังไม่นับถือก็ตามมีหลักการตั้งทัศนคติที่ประกอบด้วยเหตุผลตามแนวกาลามสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาทดังนี้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริก ถึงเกษะปุตตนิคมของพวกกาลามะในแคว้นโกศลชาวกาลามะได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์จึงพากันไปเฝ้าแสดงอาการต่างๆกันในฐานะยังไม่เคยนับถือมาก่อนได้ได้ทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญสมณพราหม์พวกหนึ่งมาสู่เกษะปุตตนิคมท่านเหล่านั้นแสดงเชิดชูแต่วาทะหรือลทัทธิของตนเท่านั้นแต่ย่อมกระทบกระทียบ ดูมิน่นพูดกดวาทะฝ่ายอื่นชักจูงไม่ให้เชื่อสมณะพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็มาสู่เกษรปุตตณิคมท่านเหล่านั้นก็แสดงเชิดจูแต่วาทะของตนเท่านั้นย่อมกระทบกระเทียบดูมินพูดกดวาทะฝ่ายอื่นชักจูงไม่ให้เชื่อพวกข้าพระองค์มีความเคลือบแคลงสงสัยว่าบรรดาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นใครพูดจริงใครพูดเท็จ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ากาลามชนทั้งหลายเป็นการสมควรที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลงสมควรที่จะสงสัยความเคลือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้นในฐานะกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ายึดถือโดยการฟังหรือการเรียนตามกันมาอย่ายึดถือโดยการถือสืบสืบกันมา อย่ายึดถือโดยการเล่าลืออย่ายึดถือโดยการอ้างตำราอย่ายึดถือโดยตักกะอย่ายึดถือโดยการอนุมานอย่ายึดถือโดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่ายึดถือเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนอย่ายึดถือเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่ออย่ายึดถือเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าทาเหล่านี้เป็นอกุศลทาเหล่านี้มีโทษทาเหล่านี้วินยูชนติเตียนทาเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสีย เมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้บินยูชนสันเสริญทำเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงถือปฏิบัติบำเพ็ญทำเหล่านั้นหมายเหตุพระสูตรนี้ในพระไตรปิฎกต่างฉบับ เรียกเกษะปุตสูตรบ้างเกษะปุตติสูตรบ้างเกษะปุตติยะสูตรบ้างเกษะมุติสูตรบ้างสูตรถัดไปก็มีความคล้ายกันส่วนคำแปลว่าอย่ายึดถือนี้ตั้งแต่ครั้งเขียนหนังสือพุทธธรรมก่อนจะตีพิมพ์ครั้งแรกในพุทธศักราช2514รู้สึกว่าสื่อความหมายไม่ชัดแต่ก็หาคำที่เหมาะจริงมาแทนยังไม่ได้ ในที่สุดจึงตกลงรักษาคำแปลว่าอย่ายึดถือนั้นซึ่งพระไตรปิฎกภาษาไทยอนุศน์งานฉลอง25พุทธศตรวตรรษพุทธศักราช2500แปลจากอัตถกถ า, าที่ไขความสับบาลีว่ามาตรงนี้ว่ามาคันหิตถะเป็นการได้หลักฐานไว้ก่อนแต่ธรรมเชิงอัดบอกไว้ว่าคำว่ายึดถือในที่นี้ใช้ไปพลางก่อนเพราะยังหาคาเหมาะสมไม่ได้ ขอให้เข้าใจความว่าหมายถึงการไม่ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหล่านี้พอถึงปีต่อมาพุทธศักราช2515เมื่อทำาพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมได้ยุติใช้คำแปลตรงนี้ว่าอย่าปลงใจเชื่อแต่ในพุทธธรรมที่พิมพ์ต่อๆมายัางปล่อยไว้อย่างเดิมเพียงแต่เขียนเพิ่มในเชิงอธิว่า คำว่าอย่ายึดถือในที่นี้ขอให้เข้าใจความว่าตรงกับคำว่าอย่าปร่งใจเชื่อ